เช่นในขณะที่กำลังตั้งจิตกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นตามาฉันความพอใจนั้นใกลกามพดขึ้นมาก็ดึงจิตต่ อ, อไปสู่อารมณ์คือรูปเสียงเป็นต้นที่นักใกลกว่าธนาพอใจ จิต ก, ก็วิ่งตามยิบวนไปเห็นส ต, ติปัฏฐานเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสตริระวังไม่ให้บังที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นคือไม่ให้ยิบวนที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นและหากว่า นิมวอนมันเกิดขึ้นโดนคิตให้ไปก็ต้องมีปหานประทานเพียรละนิวรนนั้นเสียมีสติ ร, รู้ว่าเป็นตัวนิวรนจึงรู้จักว่าการมาฉันนี่เป็นเครื่องกั้นจิตม่เหตุตังอยู่ในอารมณ์ของสมาธิไม่ให้อาหนดลมไม่ใจเข้าออก แต่ให้ไปกำนหนดอยู่ที่รูปบางเสียงบ้างที่รับใครปรารถนาพอใจต้องให้รู้จักว่านี่เป็นตัวนิวร์เป็นเครื่องกั้งจิตไว้ทำให้ในสมาธิละจะด้วยปัญญาคือความรู้แล้วเป็นตัวนิวร์ ไม่ห็นเป็นตัวที่น่าอินดีพอใจอะไรก็นำกลับนำจิตกลับมาตั้งไว้ที่ลมหายใจเขอ้าออกกำหนดไปใหม่ ทีแรกหลักฐานกำหนดต่อไปก็ต้องอาศัายตัวสติอาศัายตัวปัญญาคู่กันไปถ้าสติอย่างอ่อนปัญญาอย่างอ่อนก็จะต้องถูกนิวอณล่นไปบ่อยๆเพราะฉะนั้นจินต้องเพียร ทมกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นจูืเพียนทำปูสตินี้ให้มันคงขึ้นเพียนทำปัญญาคือตัวความรู้ให้มันเกิดขึ้นและมันคงขึ้นและเมื่อ เรีรักษา ส, ะสะติและปัญญาที่มันเกิดขึ้นนี้ให้ตั้งอยู่ไม่เสื่อมไป้ากสติต่อไปปัญญาตกไปมีวอร์ดเข้ามาเร่องคามิดไปหากว่าส ต, ติอย่างตั้งอยู่ปัญญาอย่างตั้งอยู่ การกำหนดวนไม่ใจเขาเกาะเป็นตัวกรรมฐานก็ยังตั้งอยู่ก็จะนั่นยังต้องรักษาเอาไว้แล้วเพิ่มปทมทจสติให้ปัญญาถึงเป็นดุขสนมธรรมนี้มากขึ้นในที่แรกนั่น มันยังมีกำลังมากกว่าเพราะว่าจิตนั้นยังมีตัวนั้นที่คือความเคลิดเพินราคะคือความติดอยู่ในตัวในบ่อนในตัวอยู่อนนั่นหมายถึงว่าในอารมณ์มืนเป็นที่ติดตั้งของระบบนิบนบต์ทั้งหลายและเรียกว่าการมคุณอารมณ์ อา ร, ร ม, มคือกษามะขุณและก็ลูกเสียงจึงลดโปรตปั๊ที่น่ารักล้ประนามพอใจทั้งหลายปิดจิน้อบออกไปไมบ่อยเพราะสติเพราะและปัญญาที่กำหนดยังมีพลังน้อยกว่า ประธานนั้นคือความเพียรที่จะทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นการปติปตียังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วลองรักษาเอาไว้ทำเป็นข้อที่สี่เพียงรักษากุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วและเพิ่มเติมให้มาเกิดจนบริบูรณ์และเมื่อสติปัญญามีผลัง ตังอยู่ในจิตมั่นคงขึ้นกว่าหลังของนิวร์แล้วเขาจะไม่ไปเันจะไม่ตกเขาว่าจะละนุดอยู่ในลมหายใจเขาออกจนสำเร็จเป็นฐานาปาทัศติได้ในข้ออื่นก็เช่นเดียวกัน เมือ่ออาศัยกรรมประทานมาสีนี้ดังกล่าวมานี้แล้วจะทํากรรมปรานข้อไหนเราสำเร็จได้จะเป็นหมวดกายอย่างกับดาสติจะทําปรับพาดไหนก็สําเร็จได้จะทำกิจการของศาสนาทิปบัตานเราสาเร็จได้จะทํา เวทนาของศาสนาเกิดประทานมาสำเร็จได้การคิดการของศาสนาปฏิบัติมาสำเร็จได้การทำบารของศาสนาเกิดประธานมาสำเร็จได้ดังนั้นในสุดประธานทุกข้อจึงต้องแสดงถึงอุปการะธรรมในการปฏิบัติปติประธาน ว่าอาตาปีมีความเพียรสามจักว่ามีความเพียรแผลงเผาก็คือแผลงเผากิเลสสามปัญหาโนมีความรู้ตัวรอบสติมามีสติไม่เยโลแ ก, กอวิชาโดมนาจั กำจัดความดีดีความไม่ดีในโลกเสียหนังนี้นี่ก็คือมีสมปาประธานะความเปลี่ยนชอบทั้งสีข้อนีเองเพราะฉะนั้นพระรพุทธเจ้าย้นดีตรัส ประธานนะคือความเพียรชอบทั้งสี่นี้ไว้สือต่อจากพุทธอประธานและไม่ใช่เพียงนิบวนเท่านั้นยีระพุทธเจ้าจแสดงไว้ในข้อว่าดยนิบวนในคำมานุปัสสนะเทประทาน ยังมีข้อที่เลื่อนกันจากในบทที่ตาจาแสดงไว้ในข้อที่ว่าในขั้นห้าและในข้อที่ว่าในอภิธนานหกในข้อที่ว่าในอภิธนานหกนี้เอง ก็ได้มีแสดงถึงเ ม, เมื่ออายุธนาภายในกับอายุธนาภายนอกป็นจวบ ก, กันคืออาศัยอายุธนาภายในภายนอกทั้งหกคู่นี้เกิดสัญญา คือความโกรกใจหรือว่าใจโทรกจงมาถึงปัจจุบันธราท สระภายในและภายนอกของคู่นี้ที่ตากับรูประจบกันอูกัเสียงประจบกันจมูกกับกริ่งกระจกกันเล่นกับรถกระจกกันกายและเป็นที่กายถูกต้อง นเรี่กว่าประสบภาพระจบกันมนโนคิจไก่กับธรรมะคือเรื่องราวของรูปเป็นต น, mm hmm. นเช็นที่ประสบพบผ่านมาแล้วประจบกัน mm hmm. ก็เกิดสัญญชต์คือความผูกใจ หรือว่าใจขู่นันได้แก่จิตนี้เองต้อ ม, มีความรู้หาอันจนักเหล่านี้โดยเป็นรูปอารม์อารมณ์คือรูป อาศัยตาอารมณ์คือเสียงที่อาศัยหูอารมณ์คือกลิ่นที่อาศัยจมูกอารมณ์คือเล่นที่อาศัยรถอารมณ์คือรถที่อาศัยเล่นอารมณ์คือกายที่อาศัยปุถุฟังเป็นถูกต้อง แต่ลมคือธรรมะเรื่องเราของรูปเป็นตนที่อาไัยมโนคือใจจึงไม่มีความ เหล่ น, น, น, น, น, ลนี้เป็นที่ตังของความยินดีเกิดความยินร้ายนม่อารมณ์ที่เป็นทตังของความยินร้ายเกิดความหลงคือไม่รู้แม่อารมณ์อันเป็นทตั้งให้ความหลงเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะขึ้น ี่เป็นอภิชาความดีโพมาั้นความดีได้พร้รรอมธรรมโหัดคือความลงขึ้นนี่เองคือมีบอ่อนมีบอ่อทั้งห้านั่นกลางกฉันก็เป็นราคาความติดใจยินดี พยาบาทก็เป็นโทสดาความยินร้ายความมุ่งบุญเพิ่มเพิ่มคือผีนมิตาความคุคาา้งซ่านกำลังใจคืออุจจารา แต่ความสงสัยลังเลไม่นนแน่นอนใจคือวิจฤติขาทั้งสามนี้ก็เป็นมหมหะคือความหลงแต่ถ้าอาจารย์ท่านแยกเอาสุขุจักคือความกำคนัใจไปเป็นโทษา แต่ส่วนใหญ่นั้นมักจะพูดรวมกันในกองโมหะคือความหลงเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติทำสมัครประธานในความเพรีเสี่เพื่อไม่ให้นิวนเกิด เพื่อละมิวลที่เกิดขึ้นเพื่อทำสติปัญญาให้มันเกิดเพื่อรักษาสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นไว้และเพิ่มเติมให้มากขึ้นจึงต้องมีสมบัติฐานสี่ เรื่องของสัญญาต่างๆนี้ด้วยอันเป็นต้นทางของนิวรณ์คือจะต้องมีสติคือความเรยกได้เป็นเหมือนอย่างในทวรบานคือรู้อุรักษาประตู มีสติพร้อมทั้งปัญญารักษาจากักรุษวัตรคือประตูตาโสตาทาวันคือประตูหูคานาถวันคือประตูประตูจมูกคิวหาถวันคือประตูเลิ้นกายถวันคือประตูกายและมนุษยถวันคือประตูใจ มีสติเป็นนายท ว, วารดับานิรักษาประตูทั้งหกนี้แต่เมื่อกราโดยสรุปเข้าแล้วก็คือมีสระมีสติรักษาจิตนี้เองจิตที่น้อมออกอู้อารมณ์ทางท ว, วารทั้งหกนี้ เมื่อมีสติคร้องหั้งปัญญาคือความรู้รักษาจิตรักษาทวันระบกนี้ควรจะรักษาไม่ให้สัญญชน์มันเกิดขึ้น จะเป็นเหตุละสัญญาณที่มันเกิดขึ้นแล้วจะทำให้สติปัญญานี้มันเกิดขึ้นเป็นในเทานเทายทวารนบาลที่เข้มแข็งและจะรักษาสติปัญญานี้ไว้ได้ คุณให้มากขึ้นดังนี้ต้องอาศัยสติและปัญญ า, ตตาที่เป็นปัจจุบันธรรมควบคุมสวรรค์ทั้งหกหรือควบคุมจิตอยู่เป็นปัจจุบันธรรมจังต้องอญญาศัยสังวรประทาน เนน ต, าาย ต, เตเียนระวังไม่ให้สัญญน์มาเกิดขึ้นในขณะที่อาจะรยทั้งหผคู่นี้ไปจบกันจนตาเห็นอะไรก็ตองมีปากเตียนระวังไม่ให้ กฎสัก็คือปลอมฝุกนใหญ่ขึ้นในสิ่งที่เห็นนั้นในข้ออื่นเพื่อเช่นเดียวกันก็คือระวังก็คือสตินั่นเองเชื่อมกำะติรอมทั้งปัญญาเป็นเครื่องระหวัง จะหากความโยมความปุกใจมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเพียรละก็ต้องคือเพียรทำสติทำปัญญาลักษณะหากสติและปัญญานั้นยังไม่บังเกิดขึ้นก็ต้องเพียรทำบริปัญญาให้มันเกิดขึ้นเพื่อระวังรักษาจะเกือละ แล่เรารักษาสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นไว้ไม่ให้ตกไปไม่ให้เสื่อมไปจะเพิ่มผนให้มากยิ่งขึ้นขะนั้นเมื่อมีสติและปัญญาตั้งอยู่ในจิตเป็นจิตตปาระคือรักษาจิต เป็นทวารป า, าละดอยู่ในทวารบ า, าลนักษาประตูั้งปกก็จะเป็นเครื่องระวังไม่ให้สัญญชต์มันเกิดขึ้นจะเป็นเครื่องละสัญญชต์ที่มันเกิดขึ้นแล้วจะเป็นเครื่องทำสติปัญญาให้มันเกิดขึ้นจะเป็นเครื่องศึกษาสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นและให้จเจริญมากขึ้นจนสมบตร ที่กล่าวมาแล้วไม่ได้พูดถึงสมาธิแล่เก็ตตรงหมายถึงว่าจะต้องมีสมาธิประกอบไป ก, กับสติและปัญญารวมความว่าต้องมีทั้งสติสมาธิและปัญญาจี่สะาำเร็จเป็นปัญญาคนนั้ น, น, น เพราะฉะนั้นสัญโยชต์นี่เองเป็นต้นฐานของนิวรณ์จึงต้องมีสติมีปัญญาที่จะคอยดักษาจิตเป็นปจิตตภาณะจิตตบาร์ละจิตตบาลละเป็นทวาตบาลและเทวบาลละราฟังจิตราฟังทวันไม่สัญญาต์มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะละเสียง แล้วมาทำสติปัญญาให้มันเกิดขึ้นรักษาสติปัญญาไว้ให้คงอยู่ไม่ให้ตกและเพิ่มพูนให้มากขึ้นคือพยายามทำสติปัญญาให้มากขึ้นรักษาไว้ไม่ให้ตกแล้พยายามทําให้มากขึ้นและเมื่อ ใยปฏิบัติจุดดังนี้หายสมบระ์าัทจุั้งี้ปฏิบัติจุดดังนี้สัญญาต์ก็จะไม่เกิดคือความปูกใจที้ใจปลุกก็ไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะละได้นี่จะทำให้สติทร้งทางสมาธิและปัญญาจเจริญขึ้นมากขึ้น ก็เป็นอันว่าเมื่อตัดสัญญาตได้อันเป็นต้นทางนี้ได้แล้วมิวนก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นในการแก้มิว น, นั้นจึงต้องแก้ที่สัญญาณคือความผูกใจในใจผูกดังแต่ระมัดระวังไม่ให้ใจผูกกับอะไร ที่จะเป็นหเหตุให้เกิดในบ่อนคนใดคนหนึ่งเกิดขึ้นก็ละเสี้ยนให้ได้มาทําสติทำปัญญาที่เป็นเครื่องระวังมันเครื่องรักในให้เกิดขึ้นรักสาวใบาและให้มากขึ้นและมาเป็นดังนี้แล้วเราเป็นอันว่าได้ปฏิบัติใน เพประธานทั้งสี่นี่มันเป็นหมูดที่พระุเจ้าเลยตรัสสอนไว้สืบต่อจากมู่สุติปรานต่อไปนี้ก็าบอกให้แดกตั้งใจฟังส่วนและตั้งใจถอดระบบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นกอขอให้ทุกๆ ท, ท่านจ้างใจงอนอกน้อมธรรมสกา ร, รพระภูมิพระพาตอรหันตสมมาสมพุทธยเจา้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ รอมขั้งกระทมและประสงค์เป็นสาระดั้งใจทัานร่างกายวาจาใจให้เป็นซีนทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ในปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอพระรมปราศสดาของเราทั้งหลาย ได้ทรงเป็นพระพัควาที่เราแปลพักษักษมาเป็นไทยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีความหมายประการหนึ่งว่าผู้จำแนกแจกธรรม สั่งสอนประชาชนดังที่ได้ทรงจาแนกธรรมะออกเป็น จะทำซึ่งกำลังแสดงอยู่นี่ได้แสดงมาแล้วในหมวดที่หนึ่งคือสติปัฏฐานสี่หมวดที่สองคือสมปัฏฐานสี่ วันนี้จะแสดงหมดที่สามคืออิทธิบาทสี่คำว่าอิทธิบาทนั้นอิทธิเราแปลกันเป็นไทยอย่างวริษ ดังที่มีแสดงไว้ในพุทธศาสนาเช่นอภิญญ า, าหก